ตอนที่22แสงแห่งสุริยันจันทราชูเสี่ยวเสี่ยวได้ยินคําพูดของหนิงหนิงก็จ้องขเขม็งไปที่นางด้วยสายตาอาฆาตแทบอยากจะจ้องให้ร่างกายของนางทะลุเป็นรูหลังจากวางสายโทรศัพท์ไปหนิงหนิงก็มองไปยังสองแม่ลูกที่กําลังทําหน้าตาเครียดแค้นด้วยท่าทีสบายสบายก่อนจะแส้งทําเป็นลําบากใจแล้วเอ่ยกับชินเยเวว่าที่เยเวแค่จะทํำยังไงดีละ่ะสามีของฉันบอกว่าให้เหมาทั้งร้านเลยแต่ดูเหมือนว่าที่นี่จะยังมีแขกคนอื่นอยู่ด้วยนะคะชินเยเวเข้าใจความหมายในทันที นางปั้นหน้ายักย้ายหันไปสั่งเด็กในร้านว่าโมยืนบื่ออะไรอยู่ไม่ได้ยินที่ฟูที่ให้สั่งหรือไงปิดประตูส่งแขกบอกคนที่ยืนรอคิวอยู่ข้างนอกด้วยว่าวันนี้เยวี่ถูกเมาแล้วให้พวกเขาวันหลังค่อยมาใหม่ครับเด็กในร้านก้อนหัวรับพลางก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับผายมือทําท่าเชิญไปทางโจวอวี่เฟินและฉู่เสี่ยวเสี่ยวพวกเราโจวอวี่เฟินยังอยากจะพูดอะไรบางอย่างเชิญเธอค่ะทั้งสองท่านสายตาของชินเยเว่นชาลงอย่างถึงที่สุด ถ้ายังไม่ไปฉันคงต้องเรียกพนักงานรักษาความปลอดภัยมาลากตัวออกไปแล้วนะคราวนี้โจววีเฟิ์นและชู่เสี่ยวเสี่ยวไม่อาจทนอยู่ต่อได้อีกพวกนางเหมือนไก่ที่แพ้พนันเดินคอตกออกไปท่ามกลางสายตาอยากรู้อยากเห็นของเหล่าพนักงานและแขกที่ยืนรอคิวอยู่ด้านนอกสภาพที่ดูไม่ได้นั้นกลายเป็นเรื่องตลกที่ใหญ่ที่ทสุดในตรอกแห่งนี้ของวันนี้เลยทีเดียวฮ่าฮ่ า, าเมื่อมองตามหลังพวกนางไปฉินเยเว่ก็กั้นไม่อยู่ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างร่าเริงนางเดินเข้าไปหาไปหนิงหนิงแล้วชกเบาๆที่ไหล่ของอีกฝ่าย ใช้ได้เลยนี่ไปหนิงหนิงฉันก็นึกว่าเธอจะเป็นลูกพลับนิ่มที่ยอมให้ใครบีบเล่นก็ได้ที่ไหนได้กลับเป็นพวกแซงเป็นหมูเคี้ยวเสือเสียอย่างนั้นถูกใจฉันจริงๆไปหนิงหนิงยิ้มตอบรับมือกับคนประเภทไหนก็ต้องใช้แผนการประเภทนั้นและข้าเป็นเพราะพวกนางไม่รู้จักกลาเทสเองแถมมินชอบทําตัวอวดรวยทั้งที่ไม่มีพูดได้ดีชินเยเว่ยิ่งรู้สึกชื่นชมนางมากขึ้นเห็นแต่ความใจเด็ดของเธอเมื่อกี้เพื่อนคนนี้ฉันคบแน่นอน ทั้งสองสบตา ก, กันแล้วยิ้มออกมาต่างรู้สึกเสียดายที่รู้จักกันช้าไปมาเถอะชินเยเว่จูมือนางเดินเข้าไปในห้องออกแบบระดับวีพีที่อยู่ด้านในสุดที่จะพาไปดูว่าชุดออกศึกสําหรับไปพังงานนัะเป็นยังไงนิ่งนิงเม้มปากยิ้มดูเหมือนว่าชินเยเว่จะรู้เรื่องทุกอย่างแล้วมีหน้าเล้าฟู่ชิงหานถึงบอกให้เธอมาหาชินเยเว่เพื่อตัดชุดชินเยเว่พิจารณาไปนิ่งนิงใหม่อีกครั้งสายตาของนางเปลี่ยนเป็นมืออาชีพและเฉียบคม หลินหวานชิงน่ยชั้นโตมาในเขตทหารเดียวกับนางแถมยังเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันที่ฝรั่งเศสด้วยฉันรู้จักนางดีเกินไปเสียอีน้ำเสียงของชิงเย่เวแสงไปด้วยความดูแคลนผู้หญิงคนนั้นน่ยทั้งฟุ้งเฟอ้อบ้าอำนาจแถมยังเห็นแก่ตัวสุดๆตอนที่ฟู่ชิงหานยังเป็นอัจฉริยะผู้สูงส่งนางแท้จะอยากเอาตัวไปติดเขาไว้ทุกคนเที่ยวบอกใครต่อใครว่าพวกเขาเป็นคู่กิ่งทองประยกแต่พอชิงหานเกิดเรื่องนางกลับหนีเร็วกว่าใครเพื่อนแถมยังอ้างสวยหรือว่าไปเรียนต่อเพื่ออนาคต พอตอนนี้ได้ยินว่าชิงหานหายดีแล้วก็รีบแจ้งกลับมาทันทีน่ารังเกียจจริงๆนางเปลี่ยนหัวข้อสนทนาพลางมองไปหนิงหนิงการกลับมาครั้งนี้นางต้องตั้งใจจะข่มเธอในงานเต้นรำแน่ๆเพื่อประกาศสักดา ว, ว่านางคือตัวจริงสิ่งที่นางขนาดที่สุดคือสไตล์หรูหราแบบตะวันตกพวกกระปรงสุ่มบานบานเพชรนินจิงดานางต้องขนมาประโคมบนตัวจนล้นแน่ ไป น, นิงฟังเงียบๆ น, นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ยินเรื่องราวในอดีตของหลินหวานชิงและฟู่ชิงหานจากปากคนวงในแมชิงเย่เว่จะพูดด้วยความรังเกียจแต่น้ำเล็กๆในใจของเธอก็ยังถูกสะกิดให้สั่นไหวอยู่ดีชิงเย่เว่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในอารมณ์ของนางจึงตบหลังมือเบาๆและไม่ขยี่หัวข้อนี้ต่อแต่กลับเอ่ยด้วยความมั่นใจว่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่เดินตามรอยนางเด็ดขาดนางเดินไปที่ตู้ที่ล็อกไว้ใบหนึ่งแล้วค่อยๆประคองม้วนผ้าออกมาอย่างระมัดระวัง มันคือผ้าอหวิงจินที่ทอประกายเจ็ดสีภายใต้แสงไฟบนเนื้อผ้าปักลวดลายหงษ์ที่ดูราวกับมีชีวิตด้วยเส้นไหมเงินและไหมทองงดงามอลังการแต่ไม่ฉุดฉาดแฟ้ไปด้วยความคลาสสิกและลึกลับนี่เรียกว่านีกวงวี่เป็นของรักของห่วงที่ฉันเก็บไว้ก้นหีบเดิมทีตั้งใจจะเก็บไว้เป็นสิ่งเดิมของตัวเองดวงตาของชินเยเวเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นวันนี้ฉันจะใช้มันตัดชุดออกศึกที่หนึ่งไม่มีสองให้เธอนางเดินวนรอบตัวไปหนิงหนิงหนึ่งรอบในสมองเริ่มมีภาพร่างขึ้นมา ฉันจะตัดชุดกี่เพาประยุกตให้เธอใช้เสน่ห์แบบตะวันออกที่ลึกซึ้งที่สุดไปบทขยี้ความฟุ้งเฟ้อแบบตะวันตกของนางฉันจะทําให้เธอทันทีที่ปรากฏตัวทุกคนจะต้องเข้าใจว่าชิงเย่เว่ยมองไปหนิงหนิงพังเน้นย้ํำทีและคาอย่างหนักแน่นแสงจันทร์ขาวอะไรกันไยแดงปานชาติอะไรกันต่อหน้าแสงจดจัรัสของสุริยันจันทราที่แท้จริงสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงแสงหิ่งห้อยที่ไม่ควรค่าดการเอ่ยถึงคืนวันเสารน้โรงแรมจริงซื่อ สถานที่แห่งนี้ถูกเนรมิตให้กลายเป็นโลกแห่งความฝันที่พร่างพลายด้วยแสงสีเสียงไวโอลินอันไพเราะ ก, กังวานอยู่ภายใต้คมระยะคริสตัลกลิ่นหอมของน้ำหอมและเสื้อผ้าหรูหรามอบอวนไปทั่วงานผู้มีหน้ามีตาในเมืองจริงเกือบทั้งหมดมารวมตัวกันที่นี่เพื่อฉเฉลิมฉลองการกลับมาอย่างสมเกียรติของลินวันชิงคุณหนูใหญ่ตระกูลลินลินวันชิงคือตัวเอกของค่ำคืนนี้อย่างไม่ต้องสงสยัยนางสวมชุดราตรีทรงหางปลาสีขาวที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศสชายกระโปรงประดับด้วยเพชรเม็ดเล็กๆระยิ นางแต่งหน้าอย่างประณีตท่าทางสง่า ง, งามราวกับผงขาวที่ทะนงตัวเดินทอดน้องท่ามกลางแขกเลยอย่างคล่องแคล่วพร้อมรับคำชมและการประจบเอาใจจากทุกคนหวานชิงสวยขึ้นเรื่อยๆเลยนะเหมือนนางฟ้าจริงๆใช่แล้วสมกับที่เป็นดีไซเนอร์ระดับสากลรัศมีแบบนี้พวกผู้หญิงพื้นๆในประเทศจะไปเทียบได้ยังไง โจโอวีเฟินฟู่เจี้ยนจวินและชูเสี่ยวเสี่ยก็มาร่วม ง, งานด้วยโจโอวีเฟิร์นมองหลินหวันชิงที่ถูกห้อมล้อมราวกับดวงดาวแล้วหันกลับมามองชูเสี่ยวเซี่ยวที่แต่งตัวธรรมดาและดูไร้สง่าราศีข้างกายในใจก็ยิ่งรู้สึกดูแคลนแต่ปากกลับพูดจะจิกกัดชูเสี่ยวเซี่ยวว่าเห็นหรือยังนั่นแหละถึงจะเรียกว่าสตรีชั้นสูงตัวจริงวันหลังหัดเรียนรู้จากนางไว้บ้างชูเสี่ยวเสี่ยวหน้าถอดสีในใจยิ่งอิจฉาหลินหวันชิงและเครียดแค้นโจโอวีเฟิรนมากขึ้นไปอีกฉันไม่รู้หรือไงงว่่าอออออะะะไไรรคคออคืืืขดดีปเ็นนุณซ้้ใหหัมล แถมยงถูกเขาไลยออกมาอีกดีแต่มาทำเก่งต่อหน้าฉันนี่แหละในขณะที่ชูเสี่ยลเสี่ยลกำลังกล่นดาว่าที่แม่สามีในใจสายตาของทุกคนก็กำลังรอคอยการมาถึงของตัวเอกอีกคนหนึ่งฟู่ชิงหานเรื่องราวของทั้งสองคนเคยด่งดังไปทั่วเขตทหารในตอนนั้นตอนนี้ทุกคนต่างก็รอคอยที่จะดูเรื่องสนุกผู้พันฟู่จะมาไหมนะได้ยินว่าเขากับคุณหนูหลินเมื่อก่อนใครจะไปรู้ละแต่ที่เขาแต่งงานกับเยเด็กบ้านนอกในะเรื่องจริงเห็นว่าไม่กล้าพาออกมาโชว์ตัวละมั้ง ชู้อย่าพูดไปนั่นไงมาแล้วสิ้นเสียงกระสิบประตูห้องจัดเลี้ยงก็ถูกผลักเปิดออกในพริบตาความวุ่นวายในห้องโถงใหญ่ก็ราวกับถูกกดปุ่มปิดเสียงสายตาของทุกคนพุ่งตรงไปยังประตูเป็นจุดเดียวจากนั้นทุกคนก็ตกอยู่ในอาการอึ้งจนพูดไม่ออกเพราะความงามที่สันสะเทือนถึงขีดสุดฟู่ชิงหานยังคงอยู่ในชุดสูทสีดำเนืยอกริบซึ่งส่งเสริมให้เขาดูไหล่กว้างขาเรียวยาวและมีสง่าราศีที่น่าเกรงขามยิ่งขึ้น แต่ในคืนนี้เขากลับยินดีที่จะเป็นเพียงฉากหลังเพราะผู้หญิงที่อยู่ข้างกายเขานั้นช่างเจิดจ้าเหลือเกินไปนิ่งๆสวมชุดกี่เพ้าประยุกต์ที่ชื่อว่ามีกวงวี่สีพื้นของชุดคือสีขาวนวลราวกับแสงจันทร์ที่เย็นเยีบแต่ภายใต้แสงไฟมันกลับสะท้อนประกายเจ็ดสีออกมาราวกับนางสมใส่ทางช้างเผือกไว้บนร่างกายการตัดเย็บที่แนบเนื้อขับเน้นส่วรงที่สส่วนของนางได้อย่างไร้ที่ติรอยผ่าสูงของกระโปรงเผยให้เห็นเรือขาขาวเนียนที่วบวแวมแวมที่เด็ดที่สุดคือลายหงส์ที่ปักด้วยไหมเงินและไหมทองบนตัวชุด ซึ่งวงเวียนตั้งแต่คอเสื้อลงไปจนถึงชายกระโปรงดูราวกับกำลังจะสยายปีกบินท่ามกลางแสงสีที่พรางพลายทั้งงดงามสูงส่งและแสงไปด้วยรศมีลึกลับที่ดูหมิ่นมวนมนุษย์นางไม่ได้สวมเครื่องประดับหรูหราใดๆเพียงแค่ปักปิ่นหยกขาวเรียบง่ายไว้บนผมแต่กลับดูโดดเด่นยิ่งกว่าผู้หญิงคนไห น, ไหนในงานที่ประโคมเพชรพลอยจนล้นตัวหากจะบอกว่าหลินวันชิงคือของขาวแบบตะวันตกที่ถูกเจรนัยมาอย่างดีไปหนิงหนิงก็คือเทพิดาแห่งบูรพาที่หลุดออกมาจากภาพวาดโบราณและอยู่อย่างโดดเดี่ยวเหนือโลกล่า สวรรค์นั่นนั่นใครนะ่ะนั่นภรรยาของฟู่ชิงหานเหรอไหนบอกว่าเป็นเด็กบ้านนอกไงทำไมถึงรัศมีแบบนี้รูปร่างแบบนี้ยิ่งกว่าลินหวานชิงเสียอีกนนเนี่ยเสียงวิพากวิจารดังขึ้นราวกับระลอกคลื่นใบหน้าของโจววิเฟินและฉูเสี่ยวเสี่ยวแข็งค้างไปโดยสิ้นเชิงพวกนางนึกไม่ถึงเลยว่าใหญ่บ้านนอกในสายตาของพวกนางจะมีด้านที่งดงามจนทําให้ผู้คนตะลึงครึงเคลือได้ถึงเทียงนี้